หน้าแปดสิบสามกลวดน้ำแผ่ส่วนกุศลเป็นภาษาไทยบุญนีข้ข้ารมข อ, ขอเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนนาเป็นวิมานทองเรื่องรองโซผานตราทั้งทางฟ้า อันหนึ่งบริวารเครื่องทิพย์ทั้งนี้ขอถึงชนนีปีตายา น, านันถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกยา น, านันได้วิมาน ท, ทองฟุงเปรตทั้งหลาย โรกอัสุลกายหมูสัตว์ทั้งพ้องเต่าปลาปหูหอยใหญ่น้อยเนืองนองจองตั้งใจปองรับเอาส่วนคนสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ใสได้กระทาทารุณ ด้วยกายวาจาใจบาปได้ปองพุลรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาตราทั้งพรห ม, ม า, าวเทวสุวรรณรักภูมิเจ้าที่อาทิรพระจัน อังคานพูดพันเพื่อหาสุขเศ้าเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายสิบสองราศีตราทั้งประการจะตตุโลกกบานทั้งสี่ครูทานาชิกินนรีกินนราเทพเจ้าทั้งหลาย ทงังหญิงทั้งชายจงโมทนาระบเผ่ากุศลคนกุนี น, น, นาทั้งพระสุธางองคาวาเรีชื่อว่าเข้นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความอยากอยาเห็นขอ เศรษฐีคืออาบบริมนตรีพยาคนพ่านยาคบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชากุศลขอให้พ้นจตุราขอให้ทัว่ว้าพบพระพรศีอษัน ได้ฟังคำสอนมีใจโอนหอนสำเร็จยาวนานดูถึงเอืองแก้วกล่าวแล้วคืนนี่านดับใจสงคัญจากโลรกโลรกจิก็ขาเธอ